มาเก็บตกตอับรรลุนวันนี้จะเล่าเรื่องของเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งที่คนทั่วไปศรัทธานับถือแม้ท่านจะละสังขารผ่านกาลเวลามา1้อยสปีแล้วก็ตามนั่นคือสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีหรือหลวงพ่อโตเป็นพระที่ผู้คนนับถือด้วยความศักดิ์สิทธิ์มีเทลิดปฏิหารพระเครื่องสมเด็จวะัลขะังของแท้องหนึ่งมีราคาหลายสิบล้านและหายากมากเป็นที่ใฝ่ฝันของนักเล่นพระ ที่อยากได้มาครอบครองและผู้คนก็รู้จักท่านในอีกด้านคือภาะคถาชินบัญชรมีคนสวดกันมากมายเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตผู้พูดจึงนำบางด้านที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้คือธรรมะแฝงอารมณ์ขันของท่านมาเล่าสู่กันฟังหลวงพ่อโตท่านเป็นคนที่มีอารมณ์ขันและมักทำอะไรแปลกๆ ก, การกระทำของท่านนั้นมีความหมายที่ลึกซึ้งอยู่เสมอ เช่นวันที่ท่านได้เป็นพระธรรมกิติเมื่ อ, ออกจากพระบรมมหาราชวังมีของได้รับราชทานมาตามสำมนักส์อาทิเช่นพัดยศเครื่องไทยทำย่ามก็มีลูกศิษย์ที่เขาโลนับถือท่านอาสาช่วยถือมาส่งที่วัละคังแต่หลวงวัโตไม่ยอมท่านถือสิ่งของทุกอย่างด้วยตัวท่านเอง แล้วเดินมาข้ามเรือที่ท่าช้างวังหลวงแต่ข่าวเลือที่ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระธรรมกิติมาคลองวัลขังนั้นได้ข้ามแม่น้ำเจ้ามายามาถึงวัลคังก่อนตัวท่านจะมาถึงเสียอีกพระเนรในวัดได้ออกมารอต้อนรับสาราท่าน้ำเต็มไปหมดต่างก็คิดว่าอีกสักพักหลวงพ่อโตคงจะข้ามแม่น้ําพร้อมด้วยผู้คนที่ตามมาส่งกันมากมาย ตามธรรมเนียมที่เคยเห็นมาแต่สิ่งที่เห็นพลข้ามกับสิ่งที่คิดเพราะท่านนั่งเรือจ้างข้ามน้ำมาอย่างเดียวดายพอเรือถึงสาราท่าน้ำวะัลคะังหลวงพ่อโตก็หอบของขึ้นเองและไม่ยอมให้ใครช่วยถืออีกด้วยสร้างความแปลกใจให้กับพระเนรไปทำตามกันหลวงพ่อโตเอ่ยขึ้นว่าในหลวงให้ฉันมาเป็นสมภารที่วัดนี้จ้ะ ว่าแล้วท่านก็ถือพัดยศเครื่องไทยทำและย้ามเดินวนรอบวัลขังบรรดาพระเนนต่างก็เดินตามท่านเป็นขบวนชาวบ้านแถวนั้นก็เดินตามด้วยเมื่อท่านเดินจนรอบวัดแล้วก็เดินขึ้นกุฏิแล้วปิดประตูเก็บตัวเงียบอยู่แต่ผู้เดียวโดยไม่มีการประชุมพระเนนในวันแรกที่มาถึง ตามธรรมเนียมของสมภารที่ไปครองวัดต่างๆหรือเปิดประตูกุฏิต้อนรับให้พระเนนหรือญาติโยมเข้ามาแสงความยินดีอันเป็นการแสดงถึงความไม่ยินดีในสมณะศักดราบยศท่านพอใจในความสันโดษได้อยู่อย่างเยอเยียบนั่นเองครั้งหนึ่ง ท่านเคยทำให้เสษถีที่อัมพาวาจังหวัดสมุตรสงขามเปลี่ยนทิศสัยกลายเป็นชาวผู้ที่ดีเดิมทีเสษถีเป็นคนใจบุญแต่เป็นคนหลงในยศถาบรรดาศักดิ์มากเป็นคนหน้าใหญ่จะทำอะไรก็ต้องใหญ่โตหรูหราคืออ ว, วดมั่งอวดมีของตัวให้คนอื่นรับรู้วันหนึ่งเสดถีได้ข่าวว่าหล่อโต ถ้าเป็นนักเทศมหาชาติที่หาใครเทียบได้ยากแกจึงปรึกษาเพื่อนให้ไปนิมนต์หลวงพ่อโตมาเทศมหาชาติกันมัสสีที่บ้านของตนเมื่อหลวงพ่อโตรับนิมนต์แล้วแกก็เตรียมงานใหญ่เป่าประกาศให้รู้กันทั่วอัมพวาให้ญาติมิตรมาร่วมบุญโดยพร้อมเพียงกันเสถีก็คาดว่าหลวงพ่อโตคงจะเดินทางมาได้เรือที่ ได้รับพระราชท า, านจากราชาการที่สองขอบวนของท่านอันเป็นพระราชาคณะคงมีพระและลูกศิษย์มากันขบวนใหญ่แน่นอนแกจึงเตรียมตัวต้อนรับด้วยความค้มอกคืมใจรู้สึกมีหน้ามีตาอย่างยิ่งจึงได้จัดเตรียมเครื่องกันเทศไว้เป็นจำนวนมากคันเวลากำหนดนัดมาถึงเศรษฐีก็สั่งการต่าง ด้วยเสียงอันดังอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ดูเป็นจุดเด่นในฐานะที่เป็นเจ้าภาพแล้วสายตาเศรษฐีก็เหลือบไปเห็นเรือจ้างลำหนึ่งกำลังแจวเลี้ยวคุ้งน้ำตรงมาที่บ้านแกเมือ่อเรือเข้าใกล้เคลื่อของเศรษฐีก็อุทานออกมาด้วยความดีใจว่าหลวงว่าโตมาแล้วแจ่เศรษฐีกับหน้าซีด ด้วยความิดหวังอย่างใหญ่หลวงความรู้สึกศรัทธาต่อหลวงพ่อโตลดน้อยลงไปทันทีจนถึงขนาดเสียดายเครื่องกันเทศที่ได้เตรียมไว้แต่ด้วยมา ร, รยาทของเจ้าของบ้านแกจึงนิมนต์หลวงพ่อโตขึ้นพักผ่อนอย่างอัศนะที่เตรียมไว้พอหลวงพ่อโตหายเหนื่อยจากการนั่งเรือมาไกลแล้วท่านก็ขึ้นทํามาตร เทศทันทีแต่ตัวเศรษฐีหมดศรัทธาเสียแล้วได้แอบเข้าไปในห้องและแบ่งเครื่องกันเทศออกให้เหลือเพียงพอสมควรไม่น่าเกลียดเสร็จแล้วก็เอนหลังอยู่ในห้องไม่ออกไปฟังเทศหลงวงพ่อโตก็เทศไปเรื่อยเศรษฐีแรกๆนั่งฟางอยู่ในห้องไม่สนใจแต่ฟังไปฟังไป ชักทนไม่ไหวเพ ร, ราะลีลาการเทศของหลวงพ่อโตไม่มีใครเทียมได้จริงๆและในที่สุดก็เกิดศรัทธาออกมานั่งฟังข้างนอกจนเทศจบเสถีฐีแกก็านำเครื่องไทยธรรมไปใส่ใหม่เมื่อถวายหลวงพ่อโตแล้วท่านก็บอกกับเสรษฐีว่าขอจงนำเครื่องกันเทศและปัจจัยที่ถวายนี้ไปแจกจ่ายให้กับคนยากจน ในเขตอเมาวาเถิดท่านไม่ขอรับกลับไปทําให้เศรษฐีอุ่นงงหลวงก็โตก็พูดให้อวาดและชี้โทษของการลุ่มหลงในยศถาบดาศักดิ์จนขาดศรัทธาเมื่อหลวงก็โตให้อวาดแล้วก็กล่าวคํำอาลาลงเรือจ้างลําเดิมกลับวัดโดยไม่ยอมให้เศรษฐีไปส่งเรื่องนี้ก็นบันทีเล่าขานกันมาที่วัละคัง สิ่งหนึ่งที่ทำให้หลวงพ่อโตรู้สึกอจจึดอัดใจก็คือไม่ว่าท่านจะทำกิจการใดๆก็ตามเพื่อปรึกษาหาลือกับพระในวัดก็มักจะได้คำตอบว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นสมควรแล้วดีแล้วทุกครั้งไปวันหนึ่งมีผู้นำแกงร้อนบุนเส้นชามใหญ่มาถวายท่านจึงลึกอุบายขึ้นมาได้ ที่จะสอนพระเนนโดยให้สิทธวัดนํากระทะใบบัวใหญ่มาตั้งเติมน้ําจนเต็มแล้วก็ต้มจนเดือดแล้วนําแกงร้อนชามนั้นเทลงไปในกระทะแล้วให้สิทธวัดไปเก็บผักบุ้งในลําคลองข้างวัดมาล้างทาความสะอาดแล้วหั่นใส่ลงไปในแกงร้อนนั้นแลนําอาหารอีกหลายอย่างที่มีผู้นํามาถวาย เทใส่รวมลงไปหมดแลดูแล้วไม่น่าขบฉันเลยแม้แต่น้อยเมื่อทำเสร็จแล้วก็ให้สิทวัดตีกองเป็นสัญญาณให้พระและเนนนำปิดโตถ้วยชามมาแบ่งอาหารโดยท่านกำชับให้บอกพระเนนทุกลูปว่าเป็นแกงร้อนที่ท่านปรุงเองกับมือพระเนนทั้งทั้งวันละครั้ง จึงได้ฉันแกงร้อนในมือเพนวันนั้นโดยทั่วถึงขันตอนเย็นพระทุกรูปจะต้องร่วมทาวัดในพระอุโบสถหลวงพ่อโตก็ยืนอยู่ตรงหน้าประตูโบสถ์คอยถามพระเนนทุกรูปที่เดินผ่านเข้าไปในโบสถว่าแกงร้อนของฉันเป็นยังไงบ้างปรกากฏพระเนรทุกรูปตอบไปเสียงเดียวกันว่าอร่อยดีครับ ท่านก็ถามด้วยมาจนกระทั่งถึงพระชาลารูปหนึ่งที่บวชอยู่วลครคังมานานหลายสิบปีท่านก็ถามเหมือนเดิมว่าขัวตาแกงร้อนของฉันเมื่อตอนเพนเป็นอย่างไรบ้างฉันลงมือทำเองทีเดียวนะขัวตาชะงักนิดหนึง่งแล้วตอบว่าไม่ไหวครับประเดศพระคุณท่านกับผมเทให้หมา หมามันยังไม่กินเลยหลงวงพ่อโตยิ้มด้วยความพอใจแล้วประนมมือไหว้หัวตาสาธุสาธุหัวาตานี่แหละศีลบริสุทธิ์โดยแท้ควรแก่การเคารพสาธุสาธุหลังจากทาวัดเย็นเสร็จแล้วหลงวงพ่อโตก็เทศนาอบรมพระเนร ใ, ให้ทุกรูปสังวรในศีลอย่าบุษาโดยยกตัวอย่างเรื่องแกงร้อนของท่านปิวทาหอ พร้อมชมขวตาที่กล้าพูดความจริงไม่มุสานี่ก็คือวิธีการสอนรูวัดของท่านบางครั้งการสอนแบบแปลกแต่ก็ได้ผลเช่นเย็นวันหนึ่งปีผานเนรแ8รูปกำลังเล่นเ ต, ตะก้อกันอยู่อย่างสนุกสนานซึ่งแต่ละท่านล้วนเป็นนักเ ต, ตะเ ก, ก่าก่อนบวดทั้งนั้น มีคนมามุงดูส่งเสียงเชียร์กันดังลั่นยิ่งท้าเตะลูกพิสดารยิ่งมีเสียงเฮเป็นระยะระยะลานวัละคางจึงคึกคืค้นมากทีเดียวใครค่าแล้วก็ยังไม่เลิกแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังเฮฮาสุกสนานก็มีพระชลารูปหนึ่งมีผ้าอาบน้ำคลุมหัวเดินฝ่าเข้ามากลางวงแล้วก็พระหนุ่มที่กาลังเล่ น, วนลวดลายกันอยู่ ก็ร้องตะโกนให้ถอยออกไปอย่างห่างเดี๋ยวโดนลูกหลงได้พอพระชลาถอดพระอาบน้ำที่ขุมหัวออกก็สร้างความตกตะลึงให้กับพวกที่เล่นตะก็คือหลวงพ่อโตเจ้าวาดันละครั้งนั่นเองขันได้สติต่างก็ก้มลงกราบกันเป็นแถวหลวงพ่อโตท่านยืนกลางวง้วก็ห้ามกลางบรรยากาศโพเพใกล้ค่า ท่านพูดค่อยๆแต่ได้ยินชัดเจนไปทั่วพ่อเจ้าประคุณเอ๋ยพ่อช่างเก่งเหลือเกินพ่อไปหัดมาจากไหนนี่แหละเขาเรียกว่าบวชเสียผ้าเหลืองละ่ะหลวงวาโตพูดเพียงเท่านั้นแล้วก็เดินกลับขึ้นกุฏิของท่านนับจากวันนั้นมาพระเนรในวัดละคังก็เลิกเตะตะก้อกนโดยเด็ดขาด เรื่องที่ดังไม่แพ้พระเตะแล้วก็คือเรื่องพระต่อยกันมีพระบทใหม่ในภาษาสองรูปยังคงไม่ที้งที่สายคารวาสเกิดขัดใจกันจนถึงขั้นลงมือลงไม้ต่อยกันต่างคนต่างร้องท้าทายด้วยเสียงดังลั่นต่างคนต่างเก่งไม่มีใครยอมใครหลวงพ่อโตนั่งนอกกุฏิท่านแลเห็นเข้าจึงลุกเข้าไปในกุฏิ จัดดอกไม้ทุบเทียนใส่พานรีบเดินไปหาพระที่กำลังวิวาทจากนั้นท่านก็นั่งคุกเขา่าถวายดอกไม้ทุบเทียนแด่พระคู่นั้นละอ้อนวอนฝากตัวว่าพ่อเจ้าประคุณพ่อเก่งเหลือเกินเก่งแท้ๆพ่อเจ้าประคุนลูกขอปากตัวด้วยพระคุ่นั้นตกใจมากเลิกทะเลาะ ก, กันหันมาคุกเข่ากราบหลวงพ่อโต ท่านก็กับพระพระก็กับไปกับมาอยู่นั่นเองและทั้งคู่ก็หันมาคือดีกันเลอกทะเลาะกันเรื่องพระในวัดละคังมีกรณีให้ท่านต้องชำระความอยู่เรื่อยๆแต่ท่านก็มีวิธีชำระคดีหรืออบรมสั่งสอนไม่เหมือนใครดังเช่นพระสองลูปมีเรื่องกันถึงขนาดตีอีกกว่ายหนึ่ง จนหัวแตกเลือดไหลโชกพาที่หัวแตกก็ใช้มือกุมบาดแผลในฟ้องหลวงพ่อโตแต่แทนที่ท่านจะเรียกพักคู่กรณีมาซักถามท่านกับชี้หน้าพาที่ถูกตีว่าคุณตีเขาก่อนขเขาก็ตีให้บ้างพารูปนั้นก็บอกว่าตนยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็ถูกตีหัวจนแตกอย่างที่เห็นแต่หลวงพ่อโตก็ยืนยันอย่างเดิมว่า คุณตีเขาก่อรพาลุนั้นก็เกิดความโกรธจึงขึ้นเสียงเถียงด้วยเสียงอันดังว่าท่านเห็นหรือว่าผมตีเขากหรหลวงพ่โตตอบว่าถึงฉันไม่ได้เห็นก็จริงแต่ฉันก็รู้อยู่นาแล้วว่าคุณตีเขาก่อนคุณอยาดเถียงฉันเลยพาลุนั้นโกรธมากและเห็นว่าท่านมายุติธรรมจึงไปฟ้องสมเด็จบรรลัต ที่วัอรุณทั้งที่หัวเลือดยังไหลอยู่สมเด็จวรรัตน์ยิงให้คนไปตามหลวงพ่อโตและพระคู่กรณีมาเพื่อชาระความกันต่อหน้าหลวงพ่อโตก็ก็ยังคงยืนยันว่าพระรูปที่หัวแตกนั้นไปตีหัวพระคู่กรณีก่อนทั้งๆ ท, ที่พระรูปนั้นนั่งฟังอยู่ด้วยไม่มีร่องรอยที่ถูกทําร้ายเลยก็ตามสมเด็จวรรัตน์ แปลกใจเป็นอย่างยิ่งจึงย้อนถามว่าเจ้าคุณเห็นอย่างไรจึงรู้ได้ว่าพาราลูปนี้ตีลูปนั้นก่อนแจ้งให้ฉันฟังทั้งหน่อยจะได้ช่วยระงับอธิกรณ์หลวงพ่อโตชี้แจงว่าชาติที่แล้วพาลูปนี้ไปตีหัวพาลูปนั้นก่อนพอมาชาตินี้จึงถูกตีหัวเบ้างหลวงพ่อโตจึงได้เทศนาถึงอนิสง์การระงับการจองเวรกัน จนกระทั่งพระทั้งสองเห็นแจ่มแจ้งจึงยุติคดีด้วยความยินดีทั้งคู่ใครมีปัญหาไม่รู้จะแก้อย่างไรก็มักนึกถึงหลวงพ่อโตเ้าหนึ่งพระอาจารย์เทศแห่งวชชะสงครามมีเรื่องผิดใจกับพระครูดมชานผู้เป็นเจ้า ว, วาดจนกระทั่งเกิดความร้อนรุ่มในหัวใจแทบคองพระเหลืองอยู่ต่อไปไม่ไหวไปที่ไหนก็ไม่หายร้อนรุ่ม วันหนึ่งระ ล, ลึกถึงหลวงพ่อโตขึ้นมาได้เพราะท่านมีกิจศัก์เล่าลือกันว่ามีคุณวิเศษยากที่ผ้ารูปใดจะเทียบท่านได้ดังนั้นผ้าจาย์เทศจึงไปหาหลวงพ่อโตที่วัดละคังทั้งๆ ท, ที่ไม่รู้จักกันมาก่อนท่านได้พบแล้วก็เล่าเพียงสั้นๆว่าเวลานี้มีความร้อนอกร้อนใจเหลือเกิน ใครจะขอโอาวาจากท่านเพื่อผ่อน ค, คาลายความร้อนในหัวใจให้ลดน้อยลงและหมดสิ้นไปหลวงพ่อโตก็ให้อววาสว่าอยากสบายก็เอาอย่างหมาสิจะ้ะเมื่อเห็นอาจารย์เทศนั่งนิ่งสงบพราะไม่เข้าใจหลวงพ่อโตก็อธิบายต่อว่าธรรมนาหมาเมื่อเกิดกัดกันขึ้นมาถ้าตัวหนึ่งทําแพ้และนอนหาย ปล่อยให้เจ้าตัวชนะขึ้นคอมหาสักคู่มันก็จะไม่กัดและเลิกราการเองพระจย์เทศแปลกใจนักเพราะยังไม่ได้เล่าเรื่องให้หลวงพ่อโตแต่ถ้ารู้เรื่องตนเกิดเรื่องทะเลาะกับเจ้าวาดและตนก็ไม่ยอมลดลาวาศจึงเกิดเรื่องร้อนใจอยู่เช่นนี้ตอนนี้เข้าใจแล้วจึงลาหลวงพ่อโตกับวัิชนะสงครามและอยู่ ต่อมาด้วยความสบายใจคุณธรรมของท่านประการหนึ่งได้แก่ความเมตตาไม่เฉพาะต่อผู้คนหากยังเผื่อแผ่ไปถึงสัตว์เล็กสัตว์น้อยตรงนอกชายกุฏิของท่านมีสัตว์เลี้ยงหลายชนิดมาคอะเคียร์อยู่ด้วยท่านฉันอาหารวันละมื้อเท่านั้นมีอาหารอะไรที่คนนํามาถวายท่านก็จะนํามาคุกรวมกันเพื่อขจัดลดอร่อยให้หมดไป ท่านฉันไปก็ให้ข้าวแก่หมาแมวที่วนเวียนอยู่ข้างๆจากนั้นก็ไปปล่อยให้นกกากินอีกแสดงให้เห็นถึงความเมตตาต่อสัตว์ต่างๆบางครั้งท่านก็เก่งใจสัตว์อย่างเรื่องนี้ปกติท่านจะครองไตยวนเก่าค้ำค่าเมื่อเวลาไปขี่บนตามสถานที่ต่างๆหรือแม้แต่ในพระราชพิธีก็ตามจนกระทั่ง ในหลวงรอสีทรงไม่สบายพระทยัยที่หลวงพโตคองจีว่นเก่าๆไม่สมฐานะพระราชาคณนะผู้ใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่ต่างคองตายีวรแพรเนื้อดีมาร่วมงานพิธีกันทั้งนั้นดังนั้นในหลวงรอสีจึงมอบตายแพ่อย่างดีพร้อมกำชับว่าขอให้คองตายแพ่นี้เวลาเข้า มาในงานราชพิธีแต่หลงวงัโตยังคงคองไตยวนเก่ามาเหมือนเดิมแถมยังช้าจนต้องให้มหาเล็กไปตามถึงวัดละครั้งอีกในหลวงรอสี่เรียกมหาเล็กมาถามเรื่องหลงวงัโตก็ทราบความว่าเมือต่อไปถึงวัดและขึ้นเดือบุกุฏินั้นพบว่าท่านนั่งอยู่นอกชายกุฏิซึ่งมีไตแพรวางอยู่ใกล้ประตูห้อง แต่มีลูกหมาตัวหนึ่งที่ไปนอนหลับอยู่บนไตแพรนั้นหลวงพ่อโตได้แต่นั่งรอให้ลูกหมาตื่นเพื่อจะได้นำผ้าไตแพรมาคองแต่รออยู่นานลูกหมาเขายังไม่ยอมตื่นท่านจึงต้องคองไตเก่าๆมาร่วมพิธีดังที่ทอานไม่นต้เห็นเมื่อในหลวงรอสีทรงทราบความจริงความไม่พอว่าไทยหลวงพ่อโตก็หมดไป และส่งเข้าใจถึงเหตุผลว่าทําไมท่านถึงมางานล่าช้าแม้จะทันการตามรัชีวิธีที่กําหนดก็ตามเพราะท่านหมัวแต่นั่งรอลูกหมาที่หลับอยู่บนไตแพรเมื่อมันยังไม่ตื่นท่านก็ไม่อยากรบกวนนั่นเองอันนี้คือความเมตตาและเกรงใจของท่านมีอยู่คราวหนึ่งท่านไปงานบ้านแห่งหนึ่งโดยไปทางเรือ ขั้นเรือจะเข้าทางอ้อมท่านได้ขึ้นบกลัดทุ่งนาด้วยหมายจะให้ถึงเร็วปล่อยให้สิทธิ์เจวาเรือไปตามลำพังระหว่างทางท่านในพบนกกระสาตัวหนึ่งติดบ่วงแล้วอยู่ท่านจึงแก้บ่วงแล้วปล่อยนกกระสานั้นไปแล้วท่านก็เอาถาของท่านสอดเข้าไปในบ่วงแทน ท่านเมื่อสิทธิ์แจวเรือถึงบ้านงานไต่ถามได้ความว่าท่านขึ้นบกมาก่อนนานแล้วเจ้าภาพจึงได้คนออกติดตามสืบหาแล้วไปพบท่านติดแล้วอยู่พอจะเข้าไปแก้บ่วงท่านก็ร้องห้ามว่าอยา่าอย่าพึ่งแก้เพราะขัวโตยังมีโทษอยู่ต้องให้เจ้าของบ่วงแล้วเขารุ ญ, ญาให้ก่อนจ้ะทั้น เจ้าของบ่วงมาอนุญาตแล้วท่านจึงบอกให้เขากวดน้ำแล้วท่านก็กล่าวคำอนุโมทนายถาสัพพีเสร็จแล้วท่านจึงเดินทางไปยังบ้านงานนอกจากเมตตาสัตว์แล้วท่านก็ยังเมตตาขโมยด้วยครั้งหนึ่งท่านเดินทางด้วยเรือขึ้นไปทางปทุมธานีและท่านได้พักจำวัดในเรือลานั้น พอดีมีขโมยภายเรือมาเทียบเรือของท่านและหล้วงขโมยเอาเสือแล้วรีบภายเรือหนีหลวงพ่อโตท่านก็ตะโกนบอกไว้ว่าเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งไปเอาหมอนไปด้วยสิจ้าว่าแล้วก็โยนหมอนไปที่เรือของขโมยเมื่อได้เสือและหมอนก็รีบภายเรือหนีไปทันทีอีกครั้งหนึ่งขโมยเข้าไปขโมยของในกุฏของท่านตอนกลางคืน เจ้าขโมยพยายามยื่นมือไปลักตะเกียงของท่านแต่เอื้อมยังไงก็เอื้อมไม่ถึงหลวงตโตนั่งมองอยู่ด้วยความสงสารท่านจึงเลื่อนตะเกียงส่งไปให้ถึงมือเจ้าขโมยจะได้หยิบง่ายๆหน่อยและอีกคืนหนึ่งขโมยมารักเรือของท่านและเสียงที่ลากพูดคาดกับพื้นดินดังจนถึงกุฏิท่านแทนที่หลวง โ, โตจะตะโกนเรียกพะเนลงไปจัดการกับขโมย ท่านกลับพูดเบาๆพอให้ขโมยได้ยินว่าเข็นเบาๆหน่อยสิจ๊ะเดี่ยวผ้านเนยได้ยินเข้าจะลงไปกระทึบตายเป็นขโมยทั้งทีไม่รู้หรือว่าการขโมยเรือในที่แห้งนั้นเขาต้องเอาหมอนรองหัวเรือให้โด่งเสียก่อนจะได้กิ้งไปสะดวกดีและเรือก็ไบอบช้ำไม่รั่วด้วยผลก็คือเจ้าขโมยอายท่านอย่างมากจึงไม่ขโมยเรือ แล้วรีบว uh ิ huh. yeah mm ่งแจนออกไปจากวัล hmm. ค <Tom. Okay. S 2> uh ังอย่างเร็วทันทีเมื่อครั้งที่ในหลวงราชการที่สี่ของราชใหม่ทางอินเดียได้นำเมล็ดพันธุ์ต้นโพจากพุทธคยาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาถวายในหลวงรอสีทรงนำเมล็ดพันธุ์นั้นมาเพาะโดยพระองค์เองจนกระทั่งงอกงามจำนวนหลายสิบต้นจึงโปรดเก้าพระราชทานไปปลูก ตามอาลามสำคัญต่างๆหลายแหง่งรวมทั้งวัดระังด้วยตอนนั้นที่วัระฆังยังมีที่เป็นที่ลกล้างมียาาขึ้นอยู่มากเต็มไปหมดทำให้พวกแขกเลี้ยงวัวตั้งบ้านอยู่หลังวัดนำวัวและแพะมาเลี้ยงในเขตวัดเป็นประจำทุกวันหลวงพ่อโตซึ่งเป็นผู้มีใจเมตตาปานีก็ไม่ได้ห้ามปามคงเพียงแต่สั่งให้พระเนในวัด คอยระวังอย่าให้แพะมากินใบโพได้เท่านั้นในเวลาแขกที่นําวัวและแพะมาเลี้ยงในวัดนี้มีอยู่คนหนึ่งชื่อว่ารามปานเดแขกคนนี้คุ้นเคยกับหลวงพ่อโตอยู่ไม่น้อยพอเมื่อนําวัวและแพะไปเลี้ยงในเขตวัดแล้วถ้าไม่ไปแอบนอนตามที่ล่มก็มักจะเข้าไปคุยกับหลวงพ่อโตอยู่เสมอวันหนึ่งเจ้ารามปานเดอ นำบัวและแพะไปเลี้ยงในเขตว่าตามเคยตัวเองก็หลบ ม, มุมไปนอนหลับเสียที่สาราซึ่งมีลมพัดโกกสบายปรากฏว่าแพะของเจ้ารามปานเดเดินกินหญ้าจนกระทั่งมาถึงต้นโพที่กำลังแตกใบอ่อนอยู่เต็มต้นเจ้าแพะก็เลยสบายกินใบอ่อนนั้นจนหมดพอพวกพระเนนมาพบเข้าก็ตกใจมาก รีบไล่แพะให้ออกไปให้พ้นเรารีบไปเรียนต่อหลวงพ โ, โตให้ทราบและยอมรับว่าเป็นความผิดของตนที่เผลอไม่ทันดูหลวงพ โ, โตก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ให้ไปตามเจ้ารามปานเดมาพบเจ้ารามปานเดกับบังหลับสบายพอถูกพัปลุกให้ตื่นก็ยิ่งตกใจมากขึ้นเมื่อรู้ว่าแพ้ของตนไปกินใบอ่อนต้นโพ ซึ่งหลวงพ่อโตท่านห่วงนักห่วงหนาพอรู้ว่าหลวงพอโตให้ไปพบก็พานขาสั่นขึ้นมาทันทีเมื่อเจ้ารามปันเดไปนั่งอบอกกลาวต่อหน้าหลวงพ่อแล้วท่านก็บอกให้รู้ว่าต้นโพนี้เป็นพันุ์มาจากพุทธคยาอันเป็นต้นโพที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จึงเป็นที่เคารพของชาวพุทธยิย่งนักเมื่อแพ้ของเจ้าไปกินใบโพเช่นนี้เจ้าจะว่าอย่างไร โชลามปันเดเป็นแขกโหวไวและปกติหลวง่โตก็นึกเอ็นดูอยู่เพราะตั้งแต่มักคุ้นกันโชลามปันเดก็เกือบจะเป็นชาวพุทธไปคนรู้จักหมอบกาบทั้งๆ ท, งที่นับถืออิสลามแะยอมรับผิดที่แพร่ของตนไปกินใบโพแต่ก็อดหยอดไม่ได้ว่าหลวงพ่อครับต้นโพต้นที่พระเจ้าตรัสรู้ไม่ใช่ต้นนี้เพราะต้นนุนอยู่ที่อินเดีย เป็นคนละต้นกันครับหลวงพ่อหลวงพ่ะโตได้ยินดังนั้นก็นึกขำจนกระทั่งอดหัวเราะไม่ได้ในความปัญญาวัยของเจ้ารามปานเดท่านจึงเพียงแต่ว่ากล่าวตักเตือนให้คอยระมัดระวังอย่าให้แพะมากินใบโพอีกเป็นอันขาดเจ้ารามปานเดก็รับคำแล้วกราบลาแล้วก็ออกมาคุยฟุ้งในหมู่สิทวัดว่าตนสามารถทาให้หลวงพ่อโตยอมจนไม่อาจลงโทษตนได้ จนกระทั่งไปที่หมันไ้ของมรดาสิทธิวัดเป็นนั้นมากพวกศิทธิวัดจึงหาทางแก้เพ็ทเจ้ารามปันเดรเร่มาแล้วแล้ววันหนึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาอิสลามที่จะต้องมีงานเลี้ยงรื่นเริงกันในหมู่ชนชาวมุสลิมเจ้ารามปันเดก็เดินร้องไห้เสกสือื่นขึ้นมาหาหลวงพ่อโตถึงบนกุฏิแลวฟ้องท่านว่ามีสิทธิวัลคางของท่านเน่ยไปแกล้งเขา โดยนำหมูไปละเลงในกระทะที่จะประกอบอาหารเลี้ยงดูกันในวันนั้นซึ่งการกระทานี้นับว่ารุนแรงมากเพราะเป็นที่ ท, ทราบดีอยู่ว่าชาวมุสลิมไม่กินหมูหลวงว่โตได้ยินดังนั้นก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะเรื่องความเชื่อทางศาสนานั้นเป็นสิ่งที่ต้องเคารพซึ่งกันและกันตามคำสั่งสอนของพระศาสดาแต่และศาสนาเมื่อศิ่วไปทาเช่นนั้นจึงมีการไม่สมควร แต่แล้วท่านก็คิดอะไรขึ้นมาได้อย่างหนึ่งจึงถามเจ้ารามปาเีว่าทําไมชาวมุสลิมถึงไม่กินหมูเลาเจ้ารามปาเดเจ้ารามปาเดก็ตอบว่าแต่หุนหลังพระนบีไม่บ่นหมูเพราะหมูเป็นสัตว์ที่โสโครกกินอา jom จ, จนกระทั่งมีบัญญัติห้ามไว้ไม่ให้ชาวมุสลิมทั้งปวงกินหมูสุปแล้วเจ้ารามปาเดก็บอกท่านว่าการกระทำของสิ่งวัด ซึ่งถูกเรียกตัวมาหมอบกาบอยู่ต่อหน้านี้นะับเป็นบาปหนักที่หลวงพ่อจะต้องชาระโทษให้เห็นดําเห็นแดงกันไปแต่หลวงพ่อโตตอบว่าไม่บาปหรอกเพราะหมูตัวที่เจ้าพวกนี้นาไปแล้วเลกระทะของเจ้านั้นเป็นหมูคนละตัวกับพระนาบีเกียรติเหมือนต้นโพที่วัดนี้เป็นคนละต้นกับต้นโพที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นแหละเพียงเท่านี้เจ้ารามปานีก็ลากลับบ้านทันที และเล่ากันต่อมาว่าในลหลังๆเจารามปานเดถึงกับมาเป็นสิทธิประจำกุฏิของหลวงพ่อโตกินข้าวปาอาหารร่วมกับสิทย์วัดอย่างเล็ดอร่อยเรามาก็หลายเรื่องหลายอารมณ์เรื่องหลวงพ่อโตคงเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังไม่มากก็น้อยเห็นว่าถูกคนเก็บเวลาขอให้ญาติโยมมีความสุขความเจริญธรรมยิ่งขึ้นไปเอวัง